สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับผมทันทะแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณผู้ร่วมดำเนินรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์วันนี้เป็นเอพิโซดที่7นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านพระอาจารย์ไพบูลอภิปุณโนมาร่วมบรรยายและซักถามข้อข้องใจนะครับทางปัญหาธรรมะโดยใช้หลักการของพุทธวจนะครับเรากราบนมัสการพร้อมกันครับจัุาการครับท่านใจริพร อันนี้คราวนี้เป็นเอพิโซดที่เจ็ดของพี่ยธรรมะภาพออนไลน์ซึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ดาวนโหลดกันได้ที่ www. p i โย a m a c o m อาได้ทำมาทั้งหมดตอนนี้ตอนที่เจดแล้วเนาะคุณหวรนัทพง์ใช่ครับเจ็ดตอนก็เราลงรายละเอียดเรื่องของอริยมรตมีองค์แปดผ่านมา<ช>ได้แล้วหกหกองมรตนะครับ<ช>วันนี้เนี่ยจะเป็ น, นองมรตที่เจ็ดแต่ก่อนที่จะเริ่มไปถึงข้อที่เจ็ดนี้ก็ได้ ต้อ ง, งที่ผ่านมาสักเจสัปดาห์เนี่ยก็ mm hmm. มีผู้ฟังที่ได้ดาวน์โหลดเพียวธรรมะพระออนไลน์เนี่ยไปเราก็มีฟีดแบ็กต่างๆมาบ้างไม่ว่าจะจากทางระยองจากทางปฐุมธานีภาคเหนือภาค อ, อีสานก็มีที่เขาดาวน์โหลดไปก็เลยจะใช้โอกาสนี้ ต, ต้องบอกว่าต้องบอกว่าต้องขอบใจพวกผู้ที่มีฟีดแบ็กต่างๆมาและไม่ว่าจะพูดถึงข้อมูลที่ อบอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะในเรื่องของเรียวตรมมาพาะ อ, ออนไลน์แล้วก็มีเร quest ที่ต้องการให้พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปาทซึ่งอันนี้หมอณัฐพงก็มีแลนอยู่แล้วเนาะใช่ครับมีแลนอยู่แล้วหลังจากจบอริยมรกมีองค์แปดเนี่ยก็ ค, คิดว่าจะเป็นเรื่องที่หัวข้อถัดไปที่เตรียมเอาไว้แล้วครับจริงๆเรื่องว่า<ป><ป>จะเป็นเรื่องใหญ่ปฏิจจสมุปาเนี่ยจะลื้ให้หมดเลยแล้วก็จะสร้างโครงสร้างใหม่ที่ สอดคล้องกับพุทธวจนะมากที่สุดซึ่งคิดว่าคงต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันเป็นเดือนเหมือนกันใช่งเรื่องนี้จะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็จะลุยกันไปเลยก็คิดว่าหลังจากเรื่องมัสมีของแปดนี่แหละฉันวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรสัมรถสมาธิมัสมัสมาสมาสติก่อนครับงค์มัเจสสมาสติกับสมาสติก็กลับเรียนถามท่านว่าเออตัวนิยาม ก่อนที่จะถามมาจะมานะคุณหมอพระพุงค์มีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องสมาสติมีไปทำไมสมาสติเนี่ยผมมองว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าโอ้โหเป็นแก่นแก่นแท้แก่นกลางของของระบบพุทธศาสนาเลยครับเพราะว่าสติเนี่ยเป็นอะไรที่อทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะมีคำกล่าวว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเป็นเส้นทางที่เอกเอกอุทีเดียวนะครับ ซึ่งตัวตัวนิยามนิยามของสัมมาสติจากที่ตถาคตบอกว่าที่บอกภิกษุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เนี่ยคือ น, นี่คำกล่าวที่หลกเกี่ยวกับนิยามของสัมมา ส, มมาสติใช่ไหมครับ คือเหมือนกับว่าอืมก็ทุกทุกคนทุกคนแม้ถึงจะเป็นคนใส่ใจธรรมะหรือไม่ใส่ใจธรรมะเนี่ยสติก็เป็นเครื่องเครื่องเครื่องอยู่ที่สําคัญใช่ไหมครับท่านใช่ น, นี้เป็นสติเนี่ยนะเรื่องสมาสติเนี่ยสำคัญมากๆเลย <c oughs> ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่พระพเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนั่งพักปอนพิจารณาอยู่ที่ใต้มมร้นไม้โพก ต้นเดียวกันกันกบที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละแล้วก็เคลื่อนไปขึ้นมาไปอยู่ใต้ต้นไทรบ้างอะไรบ้างครับก็อยู่ในเขาเรียกว่าใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักผ่อนของเหล็กเด็กเลี้ยงแพะครับพระพุทธเจ้าไล่ฝั่งนี้พออยู่ที่นั่นก็มีความคิดขึ้นมาว่าเอ๋ธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วเนี่ยมันยากจริงๆอนอ่าจะสอนยังไงดีนะาะวะนี่พูดอย่างนี้อยู่ในใจครั บ, ค, รบคิดไป ค, คิดมาคิดไปคิดมาก็โผล่ออกมาเลยโอ้นี่แหละ นี่แหละเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะเพื่อความก้าวล่วงบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อหลุดซึ่งยญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจงทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ <c oughs> ก็บอกว่าสติปัฏฐานสีเนี่ยเป็นทางเดียวที่จะนําให้ไปถึงนิพพานพอระลึกได้แค่นี้ปั๊บนะบเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นนี่เท้าสาวหามบดีบรมที่อยู่บนสวรรค์บนเทวดาชั้นรบรมเนี่ยว้าวลงมาถึงบรษย์โลกอยู่ที่หน้าพระรูธเจ้าเลยบอกโอ้โหสาธุสาธุสาธุนั่นแหละถูกแล้วเพราะว่า พระพุทธเจ้าที่มาในอดีตก็ใช้สติปัฏฐานสี่เหมือนกันที่จะมาในอนาคตก็ใช้สติปัฏฐานสี่เหมือนกันใช่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ใช้สติปัฏฐานสี่เหมือนกันในกา ร, รที่จะ ท, ทํานิพพานแจ้งเป็นคันที่สอนสัตว์ทั้งหลายับนี่คือสติปัฏฐานสี่ครับครับเพราะ อ, อย่างนี้เท่ากับว่าตัวสติปัฏฐานสี่ก็เป็นทางสายเอกซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็เป็นเส้นทางที่ เรียกว่าเป็นรอยทางเก่าใช่ไหมค<เ>รับคือมีคํานี้อยู่รอยทางเก่าเนี่ยคือมรรคทั้งแปดอ๋อมรรคทั้งแปดถ้าสติเนี่ยก็คือเป็นหนทางอันเดียวเครื่องไปทางเดียวครับตรงนี้ก็คือว่าหมายความว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าสติเนี่ยนะคือถ้ามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็ถือว่ามีสมาสติด้วยนะเพราะว่าองค์แห่งมรรคคือสัมมาทิฏฐิอันใดเนี่ยสิ่งที่จะตามมาด้วยก็คือสัมมาทิฏฐิเองสัมมาวายมะและสมาสติ เพราะฉะนั้นสมาสติเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมรรคทุกๆองค์อยู่แล้วครับสมาสติก็มีสัมมาทิฏฐิก็มีสมาสติอยู่สัมมาวยามะก็มีสมาสติอยู่สัมมาวาจาก็มีสมาสติอยู่สัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะก็มีสมาสติอยู่หมดเลยครับครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจึงบอกว่าโอ้นนี้สําคัญมากสำคัญมากเลยครับอืมแล้วคําสุดท้ายคําพูดสุดท้ายที่พระเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพานคําพูดสุดท้ายที่พระเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพานบอกว่า เอาล่ะนะฉันจะไปแล้วนะพวกเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาท<ช>อยู่ด้วยความไม่ประมาทคําว่าไม่ประมาทนี้พระเจ้าได้เคยบอกว่าคนที่ไม่ประมาทนี้เป็นยังไงนั่นแหละไม่ไมประมาทในอะไรใช่ไหมครับเ อ, อไม่ประมาทเป็นยังไงนะครับพระเจ้าบอกว่าภิกษุที่อยู่ด้วยความประมาทคืออะไรนะคือมีจิตกลือกลั้วในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพอมีจิตกลือกลั้วแล้วเนี่ยก็อินรีย์เนี่ยครับความไม่ประมาทใน ที่พระพุทเจ้าตรัดไปก็คือความไม่ประมาทในตาหูจมูกลิ้วไกใจอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือว่าพอเห็นแล้วก็ไม่รวบถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดแล้วก็ไม่ถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆอย่างนี้ก็คืออภิชาตโทมนัสก็จะไม่ไหลไปตามก็ชื่อว่าปิดกั้นอินทรีย์คนจะปิดกั้นอินทรีย์ได้ก็ต้องมีสตินะแล้วพอปิดกั้นอินทรีย์ได้จิตไม่มีอกุศลมีปีติปราโมทมีสมาธิจิตตั้งมั่นได้ นะทําทั้งหลายก็ปรากฏการที่ทําทั้งหลายปรากฏเนี่ยชื่อว่าเป ผ, ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแตนี้ก็มันสืบเนื่องมาจากสติไงรเริ่มเริ่มจากสติครับทีนี้มีสับของคำเมื่อสักครู่นี้คืออภิชาถ้าเกิดมือใหม่ก็คือก็คืแปลว่าความยินดีใช่ไหมครับอภิชานี่แปลว่าความเพ่งเล็งความเพ่งเลงเพ่งเล็งในอะไรคือเพ่งเล็งว่าทรัพย์ของผู้ใดทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราเพ่งเลงอย่างนี้ สมมุติคุณเห็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือใบหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นกระเป๋าถือใบหนึ่งโอ้ชอบชอบเอออยากได้ไว่นั่นแหละอภิชาเกิดแล้วอย่างงี้นะเห็นรถคันนี้ผ่านไปโออยากได้แล้วนั่นแหละอภิชาเกิดแล้วนั้นะแล้วถ้าทําด้วยการขโมยอ่ะผิดศีลละแต่ถ้าทําด้วยการสิ่งดีคื อ, อ, อสัมมาอาชีวะแล้วก็ไปซื้อมาถูกต้องตามกุศลธรรมอันนี้ไม่เป็นไรอ่าสมมุติ เห็นป้ายโฆษณาหูดาราคนนี้สวยจังเลยหล่อจังเลยแหมอยากเป็นเหมือนเขาบ้างนั่นแหละอภิชาเกิดแล้วออ่าโทมนัตคือความเสียใจ oh, <okay. S 1> อ่าเศ้าโศกเสียใจอย่างนี้นะอันนี้คงเข้าใจกันอยู่ทีนี้อภิชาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยคือความเพ่งเล็งนะความเพ่งเล็งอย่างผู้เขาเรียกว่าผู้โจรอย่างเงี้ยจะวางแผนปล้นธนาคารเนี่ย oh. เขาต้องมีอภิชาวางแผนไว้เรียบร้อย นะคือเขามีอภิชาปล้นธนาคารแล้วถามว่าเขาต้องมีสมาธิไหมมีแน่นอนนะต้องมีความฉลาดมีปัญญาแน่นอนในการที่จะวางแผนปล้นธนาคารนะต้องมีความเพียรมีสติอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาธิสติอะไรต่างเนี่ยก็เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติหมดนะหรืออย่างคนที่จะล <c oughs> ้วงกระเป๋าคนอื่นเนี่ยเล็งไว้อย่างเต็มที่เลยนะพอมีจงังหวะปุ๊บล้วงปับเลยเนี่ยการกระทำ<ม>อย่างเงี้ยเนี่ ย, ยมีสมาธิมากนะแต่เป็นมิจฉามสมาธิ<ม> ทีนี้เรายังอยู่เรื่องของส ม, มาสติอยู่ตสติที่ทกัมกัมก็ององใหญ่ของสัมมาสติก็น่าจะเป็นเรื่องของ ส, มม ส, มมสติปัฏฐาน4ใช่ไหมครับก็มีอยู่อย่างเดียวนี่แหละสติปัฏฐาน4ี่ทีนี้ทําไมพระุทธเจ้าถึงแบ่ง4 4อย่างาคือว่าคําว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมีหลายท่านท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยสอบถามมาระหว่างการปฏิบัติก็มีว่าเอ๊ะพิจารณาอย่างไรพิจารณาอย่างไรถึงมีสติปัฏฐาน4ี่ คือพสติปฐาน4ีภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่า uh, foundation for mindfulness for foundation of my, for mindfulness <Okay. S 1> หมายความว่าสอย่างเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติ uh huh. ใช้4ี่อย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นฐาน uh huh. ที่ตั้งให้เกิดสติสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือให้จิตของเราเนี่ยมีสติอาคุณ uh huh. จะทําให้จิตมีสติคุณทํำยังไงโอ้คุณใช้กายก็ได้ คุณไม่ใช่กายจะใช้อะไรไดกิก็ใช้เวทนาก็ได้นอกจากเวทนาแล้วมีอะไรอีกก็กจิตก็ได้เอ้าจิตมีอย่างเดียวอีกเหรอก็มีธรรมมาอีกกายเวทนาจิตธรรมนะจะทําให้จิตเนี่ยสามารถเกิดสติได้กายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องพิจรารณาอย่างไงแต่ถนะว่าคุณจะใช้งานอย่างไงให้กายของเราเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยมีสติ นะต้องฟังให้ดีนะฐานที่ตั้งของสติสอย่างนี้เป็นฐานทําให้จิตมีสติได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจำเป็นต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไล่กันไปหรือว่าพิจารณาอ ย, ย่างไรไม่ใช่ละเข้าใจผิดต้องเข้าใจว่าสติมีฐานที่ตั้งนะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งก็ได้นะกายเวทนาจิตหรือธรรมได้ทั้งนั้นทําให้เกิดสติได้ซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พูดไว้ชัดเจนนะว่าอา้าวแล้วงี้จะทํา สติให้เกิดขึ้นนะงั้นก็ต้องมีฐานสี่อย่างนี้จะทำฐานสี่อย่างนี้ให้เกิดขึ้นก็ต้องมีลมหายใจใช่อาณาปานสติใช่อาณาปานสตินี่แหละอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจะทำให้สติปฐานทั้งสี่บริบูรณ์ได้จเจริญขึ้นพร้อมกันเลยใช่ไหมครับถูกต้องอยู่มุมไหนก็เรียกว่าได้หมดเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมรดสพงก็เป็นกายนะ เป็นกายของเราส่วนหนึ่งในกายของเราเราลองคิดดูถ้าเราไม่หายใจเข้าสักหกนาทีเนี่ย<ช>ก็ไป น, นอนในโลงแก้งแมงแต่ถ้าเรามีลมหายใจอยู่อันนั้นก็คือกายของเราอันหนึง่งนะกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายใช่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ทำการมิเคราะหพิสูจน์แล้วก็เอากล้องจุลทรรศน์เนาะหมอนตลังทวไปส่องดูอีโมกลอวินที่อยู่ในเลือดเนี่ยปรากฏว่ามันแบกออกซิเจนเป็นลูกๆลูกๆไปอ เป็นโมเลกุลของอะตเด่นเป่า อ, อ่าเพราะฉะนั้นก็คือมีลมไหลยอยู่ในเลือดเรานี่แหละไหลยอยู่ตามเส้นนี่แหละมีลมอยู่หรือลมในท้องลมในไส้ลมที่ออกมาทางเบื้องล่างลมออกทางเบื้องบนก็มีอย่างนี้ก็ลมทั้งนั้นแล้วถ้ามีความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปให้ฟังเพราะนั้นคือลมเนี่ยก็คือกายนะเพราะฉะนั้นถ้านะคุณใช้ลมหายใจทําให้เกิดสติขึ้นอ่านั่นแหละกายานุ ป, ปัสนาสติปฐานใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติ ถูกต้องแล้วใช่ครับวิธีชื่อหนึ่งว่ากายคตาสติใช่ไหมครับอาารย์กายคตาสติก็คือมีสติอยู่ในกายอ๋อครับมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในกายจะเกิดอะไรประจุในกายเราก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะมีสตินั่นเองสิ่งที่เราต้องการน่ยคือสติมาลเดชพงศ์ต้องบอกให้ย้ําอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเราไม่ได้ต้องการลมเราไม่ต้องการเวทนาเราไม่ต้องการธรรมะอะไรสิ้นเราต้องการสติเพราะฉะนั้นอะไรทําให้เกิดสติเอาทั้งนั้น นะคุณจะเอากายทํ า, า, ทาทให้เกิดสติได้ไหมได้เอาได้ครับคุณจะเอาเวทนาทําให้เกิดสติได้ไหมเอาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นะถ้ามีอันใดอันหนึ่งนะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็เอาทีนี้เมื่อสกักครู่เราพูดถึงว่าให้คุณสังเกตลมหายใจเนี่ยก็ชื่อว่าสังเกตกายนะกา ร, รสังเกตเนี่ยก็คือสติทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเวทนาต้องอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งก็ว่าสติเนี่เป็น Ver รเป็นคํากริยา อ่าแปลว่าความระลึกได้ใช่แปลว่าการระลึกได้คือกัญญาละยาของจิตนะอาการที่จิตเนี่ยเข้าไปจ่ออยู่อันเดียวไม่ไปไหนนั่นแหละคืออาการที่จิตมีสตินี่คือสิ่งที่เราต้องการครนะเราไม่ต้องการจิตไปนู่นไปนี่คิดนั่นคิดนี่เราไม่เอาเราเอาจิตให้อยู่ที่เดียวอาการอย่างนี้เรียกว่าจิตมีสติเพระนัปปุริชาจึงบอกว่าจิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่สตินะคอ่า ออินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตอินทรีย์ทั้งหลายคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายนะเป็นที่เล่นไปสู่จิตเพราะว่าเราเห็นภาพเนี่ยเราจะเห็นได้จิตก็ต้องรับรู้ถูกไหมเพราะนั้นมันจะเข้าไปหาจิตลมหายใจอะเป็นอินทรีไหมเป็นเพราะฉะนั้นเราใช้ลมหายใจเพื่อให้เห็นจิตพอจิตนิ่งแนว่วแนว่แนอยู่แล้วเนี่ยจออยู่ที่จุดเดียวนั่นแหละคือสติแล้วเราะฉะนั้นทําให้จิตเนี่ยเป็นที่เล้นไปสู่สติครับอ่าเพราะฉะนั้นจิตคําว่าสติเนี่ยเป็นอาการของจิตนะพระพุทธเจ้าแปลว่างี้ แปล ว, ว่าสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําหรือคําที่พูดแล้วแม้นานได้อืเระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแล้วแม้นานได้นั่นแหละคือสติครับทีนี้สติกับสัมมาสติไม่เหมือนกันนะสัมมาสติก็คือใช้กายเวทนาจิตทำทําให้เกิดสติขึ้นมาทีนี้ไอความระลึกได้อย่างเช่นที่ว่าพูดถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแล้วแม้นานได้เนี่ยเป็นความหมายของสติโดยทั่วไป ที่เรากําลังพูดในนั ย, ยนี้คือสัมมาสติสัมมาตสติอใช่สติ ท, ที่ถูกต้องใช่สติชอบครับทีนี้พอเวลาที่เราสังเกตลมหายใจก็คือกายแล้วเนี่ย ค, ความรู้สึกใดๆการรับรู้คือเวลาที่เราจะสังเกตเนี่ยต้องใช้คําว่าเราต้องใช้บทพิัญชนนัยถูกนิดนึงมรณตบงคาว่ารับรู้นะคุณบางคนจยบอกคุณรู้สึกถึงลมหายใจไหมอันเนี้ย ใช้บทเพลงยนชนะไม่ถูกต้อง oh. ต้องบอกว่าคุณรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจย oh. ไหมอาใหม่นะใช่ครับสัมผัสเนี่ยคือผัสสะลมหายใจ<า><ะ>มากระทบผิวของคุณลมหายใจมากระทบผิวเรียกว่าเกิดผัสสะถูกไหม <c oughs> การที่จิตเข้าไปรับรู้เนี่ยคือทาําหน้าที่วิญญาณนะะการที่จิตเข้าไปรับรู้ทำหนา้าที่วิญญาณเพราะนั้นเราต้องใช้คําว่ารับรู้จิตของคุณคสามารถรับรู้ถึงสัมผัส ข, ของลมหายใจที่กระทบอยู่ในโพรงจมูกได้หรือไม่ ฟังให้ดีนะจิตของคุณสามารถรับรู้รับรู้นะต้องใช้คําว่ารับรู้ถึงสัมผัสต้องใช้คําว่าสัมผัสนะของลมหายใจใด้านในโพรงจมูกได้หรือไม่ครับถ้าเราบอกว่าเอ๊ะคุณรู้สึกถึงลมหายใจด้านในโพรงจมูกหรือไม่คำว่าคำว่ารู้สึกเนี่ยเราเราไม่ควรใช่เพราะมันจะกํากวมกับคําว่าเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกใช่ไหมแต่จริงจริงแล้วเวลาเราเรารับรู้ถึงลมหายใจเราไม่ได้รู้สึกนะเรารับรู้เฉย รรับรูอ้อาการที่จิตเข้าไปมีวิญญาณการรับรู้กับลมหายใจในโพรงจมูกเนี่ยของผัสสะสัมผัสของลมหายใจภายในโพรงจมูกเนี่ยก็คือวิญญาณคุณเข้าไปรับรู้ด้วยวิญญาณครับอไม่ใช่รับรู้ด้วยเวทนาเวทนาไม่ได้มีหน้าที่รับรู้นะแต่วิญญาณต่างหากมีหน้าที่รับรู้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําไม่ถูกตรงนี้คือใช้คําว่ารับรู้ครับทีนี้ว่าเวทนานผลผลที่จะเกิดขึ้นเช่นหลังจากุกการรับรู้หลังจากการรับรู้แล้ว พเพราะใช่พอคุณรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือเวทนาแล้วรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์หรือรู้สึกไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขใช่เฉยเฉยครับความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตรงเนี้ยความรู้สึกทั้งสุขทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตรงเนี้ยคือเวทนาเวทนาครับอ่าเพราะฉะนั้นพอเรามีความรู้สึกตรงนี้นั่นไงเวทนาเกิดแล้วครับ แล้วก็มีหลายคนที่เขาสงสัยกันมากเกี่ยวกับเรื่องอุปมาอุปไม้มที่พระเจ้าเคยใช้เรื่องของนายช่างกลึง อ, อนชบอกนายช่างกลึงเนี่ย <ร asleep. S 1> ชักชี้กลึงยาวก็รู้ว่าชึ้กลึงยาวชักชี้กลึงสั้นก็รู้ว่าชักชีกลึงสั้นเหมือนการเราหายใจออกก็รู้ออกยาวก็รู้ออกยาวเข้าสั้นก็รู้เข้าสั้นออกยาวสั้นสั้นออกยาวอย่างงี้นะใช่ครับถามว่าบางคนก็เลยตามลมหายใจตามลมออกตามลมเข้าไม่ใช่เลยคือต้องการแค่แค่รู้ว่าเข้ากับออก ไม่ไม่ต้องตามเข้าไปในโพรงจมูกในหลอดลมในปอดอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมไม่ใช่ก็ต้องถามว่าช่างกลึงเนี่ยเขากลึงยังไงแลนะคนที่กลึงเป็นเนี่ยเดี๋ยวไช็คกรมาก่อนหรือมีความรู้ทั้งด้านการกลึงเนี่ยถามว่าเวลาคุณกลึงชิ้นงานเนี่ยความจดจ่อของคุณเนี่ยอยู่ที่ชิ้นงานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าชักเชือกกลึงยาวหรือชักเชื่อกลึงสั้นอ๋อเนื่องไหคนกลึงงานเนี่ยคงกลึงคนกลึงใช้ชึ้งเครื่องกลึงเนี่ย จิตของเขาจะต้องจดจ่ออยู่กับชิ้นงานตรงใบมีดที่มันจอดกับชิ้นงานไม่ได้อยู่ที่ว่ามือขวามือซ้ายหรือเท้าที่ไปเหยียบชักเชือกกลึงยาวสั้นไม่ใช่เหมือนการจิตของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวที่สามารถรับรู้ถึงสัมผัส ข, ของลมหายใจในโพรงจมูกไม่ใช่ตามลมออกตามลมเข้าอันนี้ไม่ถูก <c oughs> ซึ่งซึ่งจึงทําให้เหมือนกันกันกบเวลาที่ช่างกลึงทํางานเลย นะไม่ได้ตามเขาเข้าออกไม่ได้ตามเชือกกลึงจิตของเขาไม่ได้ไปอยู่ที่เชือกที่ชักกลึงเข้ากลึงยาวด้วยซ้ําแต่จิตของนายช่างกลึงเนี่ยจดจ่ออยู่ที่ชิ้นงานเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยก็จดจออยู่ที่สัมผัสของโพรโงจมูกที่รับรู้ถึงลมหายใจได้นะคือรู้ถึงการหายใจนั่นแหละว่อาอย่างนั้นเถอะเพราะนั้นถ้าเรากําลังฟัง podcast เ, เพียวธรรมะอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกใช้คําไม่ถูกนะต้องใช้ว่ารับรู้ถึงผัสสะของลมหายใจด้านในโพรโงจมูก นั่นแหละก็คือเป็นผู้ที่มีสติอยู่กับกายละอยู่กับเวทนาละอย่างนี้เลยใช่ครับส่วนเรื่องของจิตนะพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของจิตอย่างนี้ว่าการที่คนที่จะมาสังเกตมารับรู้ถึงลมหายใจได้ถามว่าคุณรับรู้ลมหายใจคุณใช้อะไรใช้จิตรับออรู้ครับ ใช่งเพราะนั้นการที่เราเอาจิตเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจอยู่ตำแหน่งเดียวที่รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจการที่เราสังเกตจิตตรงเนี้ยนั่นแหละคือจิตในจิตอ๋อเห็นจิตในจิตครับผมคือเรารู้จิตที่เอาไปจดจ่ออยู่พุทธเจ้าบอกว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีได้สําหรับบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นถ้าเธอมีสติสัมปชัญญะก็ชื่อว่าเห็นจิตในจิตถ้าเราจับมองจากมุมมองของจิต นะก็จะเรียกว่าเป็นผู้เห็นในจิตในจิตถ้าเรามองจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสในโรงชโมูกก็ชื่อว่าเวทนาในเวทนาทั้งหลายถ้ามองจากตัวลมหายใจเองซึ่งเป็นหนึ่งในกายก็ชื่อว่าเห็นกายในกายทั้งหลายครับส่วนเรื่องของธรรมะเนี่ยก็คือเห็นความดับไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางไกลเห็นความดับดับไม่เหลืออย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมอย่างเช่นอะไรสมมติคุณสังเกตลมหายใจอยู่เนี่ย รู้สึกว่าเอ้ตัวเรานี่มันไม่เที่ยงเลยเนาะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นตรงเนี้ยเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมละหรือบางคนคิดว่าตัวเองฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าไปคิดเรื่องนั้นแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงคิดเรื่องนั้นเห็นความจางคลายคิดเรื่องนั้นเห็นความดับไปอย่างงี้นะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเหมือนกันแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่คือมันต้องพูดอย่างนี้ว่าในสติปัฏฐานเนี่ยบางทีเรา จะสับสนว่าเอ๊ะ er, คิดว no. ่าการใช้ร anyway. ่วมกันระหว่างลมหายใจกับสติปัฏฐานทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะก็ต้องบอกอย่างนี้บอกว่าเอาลมหายใจก่อนอันที่หนึ่งนั่ลมหายใจหนึ่งนะสองถ้าลมหายใจเนี่ยเวลาเราสังเกตลมหายใจอยู่กุไปคิดเรื่องอื่นคิดถึงพ่อแม่ที่บ้านที่โรงเรียนต่างๆดึงกลับมาปล่อยตรงนู้นครับดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะพอนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สอง นะคุณก็พิจารณาเห็นในกายก็ได้นะขาเราไม่ที่อย่างแขนเนา่าเละเฟะหรือว่าพิจารณาเห็นธรรมะหมดใดก็ได้โพชงอริยมรรคมีองค์แปดใกล้ควรธรรมะอยู่อย่างนีนะ้แล้วก็กลับมาสังเกตลมหาใจเดี๋ยวกลับไป<อ>พิจารณาเรื่องนั้นเดี๋ยวกลับมาสังเกตลมหาใจทําอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็ู้ที่ดึงกลับมาไ ม, บไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าดึงกลับมาคือบางทีมันก็ไปของมันเองครับผมแต่มีส ต, ติอยู่นะพิจารณาเรื่องนั้น พิจารณาถึงอสุภะพิจารณาถึงหมวดธรรมนี้ใคร่ครวญธรรมหมวดนี้อยู่คุณมีสติอยู่น ะ, ะเดี๋ยวก็อพอละเดี๋ยวกลับมาสังเกตลมหาใจต่อชื่อว่าสมถะและวิปัสสนาก็เคียงกู่กันไปจเจริญเคียงกู่กัน ใ, ในระหว่างที่สังเกตพิจารณาเรื่องโพชฌงอยู่นะยทําไมธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้ามาเชื่อมต่อกับเรื่องศีลอย่างไงพิจารณาสังเกตลมหายใจอยู่ด้วยนั่นแหละสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่มันวนแวบไปคิดเรื่องพยาบาท แวะๆไป ค, คิดเรื่องฟุ้งซ่านปล่อยเรื่องพวกนี้กลับมาอยู่ลมหายใจและพระเจ้าจึงให้ลมหายใจเนี่ยกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งในเรื่องตรงนี้โอ้ค่ะคแล้วก็พอรเราใช้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเราก็ไปพิจารณานะเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความสุขใช่ไหมความสุขในสมาถะก็ไม่เที่ยงนะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจไม่ไหลไปตามชุ่มแช่อยู่ในความสุขนั้นอย่างนี้ก็สมถะวิปัสสนาไปด้วยกันครับอื เพรา ะ, ะนันเวลา<ต>ที่พระเจ้าเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้โพเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นสมถะอย่างเดียวคือดูดูลมหายใจอนาปานาสติเป็นสมถะอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนานะครับพ ร, พร้อมกันใช่ครับคือวิปัสสนาเนี่ยก็คือการเห็นการเกิดดับของเช่นของลมใช่ไหมครับวิปัสสนาแปลว่าเห็นตามที่เป็นจริง เห็นตามที่เป็นจริงวิปัสสาว่าเห็นตามที่เป็นจริงยังไงถึงเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงใช่เห็นตามที่เป็นจริงก็คือเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งถ้าเป็นของปรุงแต่งอาศัยการและการเกิดขึ้นเสื่อมไปได้สิ้นไปได้จางคลายไปได้ดับไปได้ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเห็นตามที่เป็นจริงอ๋อก็คือเห็นตัวอริยสัจของมันนั่นเองนะครับ อ่าเห็นเกิดเห็นดับเห็นไม่เที่ยงเห็นความปรุงแต่งเห็นความเป็นเหตุเป็นผลเห็นความจางกายเห็นความเสื่อมไปเนี่ยคือเห็นตามข้าเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของสัมมาสติสัมมาสติทีนี้อืมันจะมีมันจะมีคําคํากล่าวที่บอกว่าเออเห็นเห็นกายในกายก็ท่านได้อธิบายแล้วใช่ไหมครับเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำที่บอกว่าให้บอกว่าเห็นกายในกายมีความเพียนเผากิเลเอ็มเนี่ย ใช่ั้ยครับก็คือกายก็คือกายในกายอันนี้ท่านมันมันความหมายโดยตรงคือตอนเห็นกายในกายเรามีเราใช้จิตไปเห็นกายไปรับรู้ลมอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยบางบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วกายคือกายลมเนี่ยคือกายใช่ไหมครับเรารับรู้ได้แต่ไอตัวรับรู้เนี่ยมันไม่ใช่จิตเลยครับจิตที่จะรับรู้ว่าเออมีลมเข้าลมออกอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นตัวที่รับรู้จิต จิตที่เป็นตัวรับรู้คือหมายความว่าถ้าเราไปสนใจเรื่องของกายใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยก็ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติแต่ถ้าเราสนใจมองที่มุมมองของจิตตรงนั้นก็จะเป็นให้จิตเป็นฐานที่ตั้งของจิตของสติทีนี้ว่าบางคนจะสงสัยสับสนว่ากายในกายแล้วกายที่สอนมันกายอะไรอย่างงี้นะใช่ครับคือเราให้ดูเป็นคํารวมกันไปเลยกายในกายเป็นคําเดียวะจิตในจิตเป็นคําเดียว ทีนี้วิธีพิพจารณาเห็นกายในกายทํำยังไงผู้เช่าพูดไว้ชัดเจนนะสั้น ร, รู้ออกรู้นะสั้นสั้นยาวเข้าออกรู้หมดอันนี้เรียกว่าเห็นกายในกายแล้วนะตามเห็นกายทั้งปวงกายทั้งปวงเนี่ยก็คือลมหายใจทุกชนิดทุกประเภททุกแบบแขนขาได้หมดนะกายเรียกว่าเห็นกายในกายอยู่เรียกว่าเป็นผู้ตามเห็นซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกอยู่ อันสุดท้ายในหมวดกายก็คือตามเห็นความทําให้การปรุงแต่งทางกายระงับกายสังคารระงับกายยังคารระงับก็คืออะไรที่ต้องเป็นการปรุงแต่งทางกายคุณต้องเคลื่อนไหวยกแขนยกขาหายใจถีบ้างอ่อนบ้างนะให้ให้ระงับตรงนี้ให้หมดระงับคือบางทีคนบางคนลมหายใจเบามากตอนนั้นก็คือการปรุงแต่งทางกายระงับลงระงับลง การลมหายใจเบาก็ตามการไม่เคลื่อนตัวก็ตามนี่ยก็เป็นกายสังขารระ ง, งับทั้งหมดซึ่งทั้งหมดตรงเนี้ยคือการเห็นกายในกายอ๋อครับทั้งหมดตรงนี้คือการเห็นกายในกายครับครับการดูลมนี้ไม่ต้องปรุงแต่งลมใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นคนที่หายใจสั้นก็ก็ดูว่าเราหายใจสั้นดูตามความเป็นจริงหายใจยาวก็คือดูหายใจยาวไม่ต้องไม่ต้องพยายามที่จะหายใจตามจังหวะ อะไรบางอย่างใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องเลยคือหมอระทวงอาจจะทราบว่าคนที่เพิ่งรับประทานอาหารมาใหม่ๆเนี่ยลมหายใจจะถี่ขึ้นกว่าปกติใช่ครับแต่ตอนตื่นเช้ามาใหม่ๆเนี่ยลมหายใจจะยาวมากกว่าปกติใช่ครับเป็นธรรมดาของร่างกายพุทธเจ้าจึงบอกให้รู้ในกายทั้งปวงเพราะฉะนั้นลมหายใจไม่ว่าจะชนิดไหนแบบไหนเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวเราต้องมีสติได้หมด นะไม่ใช่ว่าเออต้องสั้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรอกินข้าวก่อนถึงจะทําได้ไม่เกี่ยวเราต้องรอตอนเ<อ>ช้าเพราะนั้นถึงจะทําได้ไม่ใช่นั้นะต้องทุกชนิดทุกแบบจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ซึ่งกายทั้งปวงแบบนี้และบางทีลมหายใจเนี่ยลมหายใจเข้าเนี่ยมันจะเย็นกว่าลมหายใจออกจะอุ่นกว่าอ๋อใช่ครับใช่ใชซึ่งตรงนี้ถ้าเราไปมัวสังเกตว่าเออมันเย็นมันอุ่นให้ต้องทำยังไงมันก็จะไม่ไปไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นจึงให้รอบรู้ซึ่งกายทั้งปวงแบบไหนก็มีสติได้ครับอ่าอย่างนี้ครับ แล้วเห็นมีในพระสูตรบางมีในพระสูตรบอกว่าอาณาปานาสติกับกายคตาสติเนี่ยเทียบเคียงเท่ากันอย่างเงี้ยท่านช่วยแจกแจงได้ไหมครับอ๋อคือพระเจ้าคืออธิบายเรื่องของกายคตาสติอยู่นะกายคตาสติคืออะไรบ้างก็ไล่ไปเลยนะตามเห็น ค, ความไม่งานในกาย เ, าเห็นส่วนต่างๆร่างกายโดยความเป็นท่าตสี่เห็นส่วนต่างๆ่างร่างกายโดยความเป็นชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆนะเห็นซากศพที่เน่าเห็นเน่าเปื่อย เป็นกระดูกนะกระดูกแยกเปนคนละทางกระดูกเน่าเปื่อยแล้วอันสุดท้ายก็โปะไว้ว่าอานาปานาสติก็เป็นอันนั้นเหมือนกันเป็นกะยะายคตาสติอย่างหนึง่งครั บ, รบเพราะฉะนั้นการสังเกตลมหายใจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกะยะายคตาสติด้วยกายคตาสตินะครั บ, รบเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกต้องเนี่ยว่าอ่ะคุณเจริญกายกายคตากายานุ ป, ปัสนาสติปฐานนะคือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติ ก็คือใช้ลมหายใจก็ได้นะกายเนี้ยมีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าอ้าวพรรษานี้จะภาวนานั่งสมาธิไม่ให้จิตออกจากกายเลยนะคือไม่ไปคิดเรื่องว่าฉันอะไรต่อไปจะทําวัดไม่คิดเรื่องพวกนี้เลยให้อยู่กายอย่างเดียวไม่ให้ออกจากกายนะถ้าออกจากกายก็ไม่ให้ออกจากกำแพงวัดนะจะไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นนอกจากกาแพงวัดนอกเหนือไปจากเขตกำแพงวัดอย่างนี้ก็มี ใช่อนนี้ก็สอดคล้องกับที่อุริชาตรัสไว้วันนี้เราพูดเรื่องสมาสตินะจอบลึกลงในรายละเอียดทั่วไปของสมาสติก่อนแล้วก็ไล่มาถึงสติปัฏฐาน4ี่ในหมวดของกายนุปัสสนาสติปัฏฐานได้ทําความเข้าใจในเบื้องต้นว่าจริงๆไม่ใช่การพิจารณาอะไรเป็นการที่ทําให้เป็นหมวดหนึ่งเท่านั้นเองเป็นฐานที่ตั้งที่ทําให้จิตมีสติสิ่งที่เราต้องการคือสติเท่านั้นเอง อก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคุณหมอรัตตบงในสัปดาห์หน้าในเรื่อง<ม>ที่เข้มข้นลงไปของสัมมาสติในหมวดของเวทนาจิตและธรรมตรงนี้มีงา่ายงหลายอย่างมากเลยที่คิดว่าท่านผู้ฟังต้องทราบให้ติดตามมันต่อไปวันนี้เราหมอรัตตบงก็จะได้เรียบเรียงบทคําถามต่างๆที่ยังติดค้างท่านผู้ฟังเนี่ยมาคุยกันในตอนหน้าด้วยเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับใช่ใช หมดแล้วครับก็เดี๋ยวไว้ต่อข่าวต่อไปนะครับครับก็ขอกราบนมรสการท่านนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังได้ดาวน์โหลดกันรับฟังกันในตอนต่อไปจเจริญพรครับกราบกลับมัสการครับ